พึงถามถึงกติกากฎข้อบังคับต่างๆของอาวาสนั้นเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมไม่ล่วงละเมิดกติกาต่างๆที่วางไว้สภิกษุรับนิมนต์ไว้ในที่หนึ่งและไปชันเสียที่อื่นต้องอาบัติเว้นแต่จะได้ตกลงมอบหมายให้ภิกษุอื่นรับแทนสี่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 ภิกษุรู้อยู่ว่าของเขานี้เขาจะถวายแก่ส่วนรวมคือสงฆ์ผู้ที่เขาถวายแก่ตนต้องอาบัตภิกษุขอของจะเข้ารือหัดผู้มีชายญาตผู้มิได้ปวารณาคือไม่ได้กล่าวอนุญาตไว้ได้มาต้องอาบัตเว้นแต่มีเหตุสมควรตามที่กำหนดในพระวินยัย 8. ภิกุุผู้จะโจดทวงภิกษุอื่นพึงกล่าวขอโอกาสจาเลยก่อนจึงเสนอเรื่องต่อที่ประชุมสงฆ์9ความเป็นผู้รู้จักประชุมชนเรียกว่าปริสัญญุตาพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ทำตนให้เหมาะสมที่จะเข้าสู่ชุมนุมชนโดยเรียบร้อยชื่อว่ามีธรรมะของสัตบุรุษ